Thank mm -hmm. you. ได้ฟังคำบรรยายธรรมของท่าเจ้าพุทธทาท่านเล่าว่ามีคนถวายที่ตัดเล็บสเตเลสให้ท่านก็คงเป็นที่ตัดเล็บอย่างดีสำหรับเวลานั้นท่านก็บอกว่าพอได้แล้วก็คิดถึงพระพุทธเจ้าอยากจะไปถวายท่านเพราะว่าสมัยพระพุทธองค์ก็อยู่กันอย่าง ตคัดผัดแคลนพระองค์คงจะไม่มีโอกาสได้ใช้ที่ตัดเล็บดีๆอย่างนี้ตัวท้านอาจารย์เวทร์ธคงจะรู้สึกว่าที่ตัดเล็บนี้มันดีเกินไปสําหรับท่านก็ได้ทั้งๆทีมอาจจะไม่ได้รู้หลัอะไรมากแต่ว่าถ้าอาจาวอร์ธาท่านอยู่ในยุคที่ไม่ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากนักสมัยตั้งสวนมุกใหม่ๆแ ม, ม้แต่กระดาษก็เป็นสิ่งที่หายากยิ่งพวก กระดาษทิชชู่แล้วก็ไม่ต้องพูดถึงเป็นของรุ่นหลังมาทีหลังลท่านเคยเล่าว่าถ้าจะให้ท่านเลือกระหว่างวิมานกับกระดาษทิชชู่นี่ท่านเลือกอันหลังมากกว่าวิมานนี่ไม่มีประโยชน์ใช้อะไรก็ไม่ได้กระดาษทิชชู่นี่ก็ยังใช้ประโยชน์ได้เพราะว่าส่วนโมกเมื่อ 60-70 ปีที่แล้วนะวัสดุประกอบเหล่านี้เป็นของหายากกระดาษทิชชู่ ลูกศิษย์ท่านเล่าว่าเวลาฉันแล้วมีน้ำแกงหกหล่นเตือนโตท่านก็จะฉีกมาแค่แผ่นเดียวไปถึงที่ชูก่กลมกลมอ่ะ น, นะฉีดมาแค่แผ่นเดียวแล้วก็ซับเอาไว้ไม่ได้ฉีกมายเยอะๆ เ, oh. เป็นกรรำซับแล้วพอลูกศิษย์จะมาเก็บท่านบอกว่าปล่อยไว้ก่อนให้มันแห้งเดี๋ยวใช้ต่อได้ท่านเคยเล่า ว, ว่าส่วนโมนิท่า oh. ไม่มี การประหยัดนะก็คงจะวิน้าเป็นนานแล้วฉันใช้คําว่าวินาทส่วนโมกก็คงมีวินาเป็นนานแล้วเพราะฉะนั้นท่านก็เลยใช้สิ่งต่างๆด้วยความประหยัดมากนอกจากกระดาษทิชชู่แล้วกระดาษพวกกระดาษคาร์บอนนะเวลาฉันทำงานต้องใช้กระดาษคาร์บอนพิมพ์ต้นฉบับก็ต้องใช้แล้วใช้เมื่รู้กี่ครั้งจนกระทั่งกระดาษคาร์บอนหรือกระดาษกัพเปีน้มันจางเวลาพิมพ์ต้นฉบับพิมพนี้ไม่ได้ใช้พวก ยังลบหรือว่าเรียกว่าอะไรลอดตริงน้ำหมึกน้ํายาลบกระดาษน้ํายาลบคําผิดไม่ใช่อ่ะต้องใช้เข็มกัดส้นปลายเนี่ยงงแงๆแซะๆไอตัวคําผิดออกใช้เวลานานจะือผิดตัวนึ่งนี่ต้องใช้เวลานานในการที่จะใช้ไอเนี่ยเข็มกลัดซ้นปลายนะแทงมันออกก็เรียกว่าข้อดีคือว่านอกจากประหยัดแล้วนี่ยังช่วยทําให้คนพิมพ์ดีนิดระมัดระวังมากขึ้น พิมพ์ผิดหนึ่งตัวก็ต้องเสียเวลาเป็นนาทีเพื่อที่จะแก้ไขนี้ก็เป็นความประหยัดของธยาุิ ธ, ธาแล้วก็ที่ใช้ในที่ช่วยส่วนโมกสามารถดําเนินการต่างๆไปได้ที่กิของบางอย่างนี่ก็ไม่ใช่ว่าประหยัดเพราะขาดแคลนนะบางอย่างมีมากแต่ว่ามันไม่จําเป็นก็ไม่ใช้ฟุ่มเฟือยเช่นเวลาตักน้ําเวลากินน้ำเนี่ยท่านก็บอกรู้สึกว่าจะไปจะไปลินน้ําเต็มแก้ว ครึ่งแก้วก็พอเพราะว่าส่วนใหญ่ฉันไม่หมดเพราะฉะนั้นลินน้ําแค่ครึ่งแก้วก็พอเรื่องน้ำฝนนี่สวนโม่าคงจะมีเยอะอยู่ภาคใต้แต่ว่าท่านก็เห็นว่าการใส่น้ําทิ้งมันสิ้นเปลืองนี่ขนาดน้ำฝนนะสมัยนี้น้ําที่เราใช้น้ําที่เราใช้ดื่มนี่มันเป็นน้ําจากวดที่ไปซื้อมาแต่บางคนก็ไม่ค่อยรู้ค่าลินน้ําใส่แก้วเยอะๆแล้วก็ พอชำไม่หมดก็ทิ้งทีทิ้งนี่ถ้าคิดเป็นจำนวนเงินก็อาจจะเป็นห้าสิบตังค์หรือบาทนึงได้ซ้า น, นะเพราะาน้ำเดนี้ขวดมันแพงมีมูลค่าทั้งนั้นพระเจา้าพุทธานี่ท่านมีสมบัติคู่กายอยู่ชิ้นหนึ่งท่านใช้มาตั้งแต่บวชใหม่ๆจนกระทั่งมรณะภาพมีคนไปพบนะสมบัติชิ้นนี้ในกุฏิของท่านมันคือแหนบดึงหนวด เป็นแหนบขนาดใหญ่เพราะว่าท ร, รมาจากขาปิ่นโตขาปิ่นโตเนี่ยใหญ่เนเป็นสังกษีก็มีคนแปลสภาพให้กลายเป็นแหนบมาถวายถ้าหรือถ้าน่าจจะทำเองก็ได้แล้วก็ใช้มานานเดียวเจดสิปีได้เกือบ70ปีจนกระทั่งท่านมรณภาพเมื่อสักหลายสิบปีก่อนในชน บ, บทเนี่ยมันอะไรอะไรก็หายาก ที่นี่เองเมื่อสักยี่สิกว่าปีก่อนแม้แต่พระพุทธรูปนี้ก็มีแค่องค์สององแล้วก็เป็นพระพุทธรูปที่ทำด้วยแก้วซึ่งเดี๋ยวนี้ก็หาได้ยากแล้วแต่ในบ้านชา บ, บ้านจะเห็นมีน้อยตัวพระเตยบิดกไม่ต้องพูดถึงไม่มีจีวรก็หายากไม่มากตอนหลังก็มีมากขึ้นเรื่อยๆแต่วหลวงพ่อคําเขียนท่านก็ยังใช้อย่างประหยัด ท่านมีผ้ารัด อ, อกอยู่ผืนหนึ่งท่านมาใช้มาตั้งแต่บวชใหม่ๆตอนที่มาอยู่กับท่านใหม่ๆก็เห็นท่านใช้อยู่แล้วท่านใช้นานมาก10กว่าปีได้ท่านก็บอก ว, วิธีการรักษาผ้าให้มันทําได้นานคือว่าเวลาซักแล้วไ ม, ไม่ต้องขยำไม่ต้องขยำไม่ต้องบิดเอาน้ําออกซักเสร็จก็มาตากเลยหรือว่าแค่บีบน้ําโดยที่ไม่ต้องบิด ไม่ต้องบิดผ้าแค่บีบเอาน้ำออกก็ทำให้อยู่ได้นานใช้ได้นานบางทีแค่พึงหลงก็พอไม่ต้องตากแดดให้มันกราะง่ายก็ได้อันนี้ก็เป็นวิธีที่ท่านใช้รักษาผ้ามาแต่ว่าตลอดไม่รู้ใครยืมมาไปแล้วก็ทำหายไม่รักษาคงเห็นว่าเป็นผ้าที่ไม่มีค่าเมต่รกร่อนบา่ายก็หายยากนะว่าผมจะได้ใช้บาทสเตลเลต์ ก, ก็ 8,000 ศาแล้ว แต่ก่อนนั้นก็ใช้บาทบาทเหล็กบาดสเตนเลสไม่ใช่เป็นของสามวันเหมือนเวลานี้เดี๋ยวนี้บวช7จ็วันสิวันก็ใช้บาดสเตนเลสกันแล้ะแต่ก่อนนี่บาดสเตนเลสเป็นของหายากบวชทั้งพรรษานี่ยังไม่ได้แตะเลยก็มีต้องหลายพรรษาแล้วถึงจะได้มีโอกาสแล้วที่ได้ใช้ก็เพราะว่ามีพระลูกเขาศึกเขาก็เลยมอบให้ปวายให้แล้วก็เลยได้ใช้บาดสเตนเลสกับเขาบ้าง อันนี้คือสภาพของวัดป่าในหลายในช่วงสิบสิบปีก่อนก็คือว่ามันไม่ได้มีอะไรที่มากมายอะไรของบางอย่างก็นับว่าหายากแต่ว่าปัจจุบันทุกอย่างดูมันมีเยอะแยะไปหมดแม้แต่ปูหลงซึ่งอยู่ไกลนี่ใตรจีวรเรียกว่าเต็มตู้เลยใช้กันไม่ทันเอาปลาอาหารก็ มีมากขึ้นจกนกระทั่งเหลือเฟือแม้แต่ทิชชู่นะก็เยอะแยะไปหมดจกนกระทั่งเดี๋ยวนี้ถ้าฉันแล้วไม่มีทิชชู่ก็ฉันลำบากกลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งของคนทั่วไปรวมทั้งพระจีในวัดด้วยสภาพอย่างนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องรู้จักเกี่ยวข้องกับมันอย่างเท่าทันเพราะว่า ถ้าไม่มีความระมัดระวังไม่มีสตินะเราก็จะใช้มันอย่างฟุ่มเฟือยหรือว่าไม่เห็นค่าเพราะสมัยนี้เขาเรียกเป็นยุคบริโภคนิยมของนี่มันมีมากมายเหลือเฟือเพียงแค่ผ่านไป 20-30 ปีมันก็มันก็ไปอยู่อีกยุคหนึ่งยุคที่สิ่งอำนวยความสะดวกปัจจัยพื้นฐานมีเยอะมากก็ทำให้เราใช้อย่างไม่รู้ค่าเตีองบริการพวกสบู่แฟบยาสีฟัน เดี๋ยวนี้ก็ใช้กันบางทีก็แบบทิงท้งทิงท้งคว้างๆยิ่งพวกน้ำฝ่ายด้วยแล้วบางทีเราไม่เห็นค่าเพราะว่ามันมันมาได้ง่ายสมัยก่อนก็จะมีน้ำในห้องน้ำนี่ก็ต้องตักเอาเมื่อตักเอาแบกบเอาหามเาก็เลยใช้อย่างประหยัดแต่เดี๋ยวนี้น้ำมันแค่เปิดก๊อ ก, กน้าก็มาแล้วก็เลยใช้กัน โดยที่ไม่ค่อยรู้ว่ามันมีค่าอย่างไรบ้างไฟฟ้าก็เหมือนกันนะไฟฟ้านี่ทีนี้มันมาตลอดเวลาแต่ก่อนนี่กว่านยังได้ไฟใช้ก็ต้องช่วงค่ำกับช่วงเช้าพอใช้ไฟจากสํับทำงานป่าไม้จากแคมป์เนี่ยยิงย่งๆถ้าปูหลงนีนะ่ถ้าจะใช้ไฟสมัยก่อนต้องไปชาร์จเอาไปชาร์จใส่แบตเตอรี่ และแบตเตอรี่ก็ได้ใช้กับคอมพิวเตอร์ก็ใช้ก็ได้แค่ 2... 3สชั่วโมงเราก็ต้องเลือกใช้โปรแกรมที่มันใช้ไฟน้อยถ้าใช้โปรแกรม Windows Word มันจะไม่ถึง2ชั่วโมงก็ต้องใช้โปรแกรมแบบราชวิถี Word ์จุาเียซึ่งเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้กันแล้วถ้าใช้โปรแกรมแบบนี้เลยมันใช้ไฟได้ไดนานสอชั่วโมงจะเซฟ ทีนึงก็ต้องรอสักพักถึงเซฟเพราะถ้าเซฟบ่อยๆไฟก็หมดเร็วไปถึงเซฟไอ้ข้อความในคอมพิวเตอร์ถ้าหมดแล้วก็ต้องไปทิ้วแบตเตอรี่หนักๆไปที่ป่าไม้ไปให้เป็นร้อยก็ชาร์จห6ชั่วโมงเสร็จแล้วก็ต้องเอาขึ้นมาแบกขึ้นเขาแล้วก็ใช้23ชั่วโมงนั่นแต่ละนาทีแต่ละนาทีจะมีค่ามากไฟแต่ละแอมแต่ละแอมมีค่าแต่เดี๋ยวนี้มันมาตลอดเวลา ก็เลยไม่ค่อยเห็นข้าวของมันแล้วอันนี้คือสภาพที่แปรเปลี่ยนไปซึ่งก็มีผลกระทบต่อชีวิตนะความเป็นอยู่ของวัดป่าด้วยที่นี้เราก็ต้องพยายามเรียนรู้ที่จะเลือกสรรเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าของอะไรที่หาง่ายได้ง่ายหรือมีเยอะแล้วเราก็จะใช้มันเต็มที่จะด้วยเพราะคิดว่ามันมีเยอะหรือเพราะคิดว่ามันหาง่ายก็ตาม อันนั้นมันก็จะกลายเป็นการทําให้เราไม่มีสติขาดความระมัดระวังหรือไม่เห็นค่าในทางพุทธศาสนาเนี่ยนักบวชเนี่ยจะมีศีลอยู่ชุดหนึ่งเขาเรียกว่าปาริสุทธศีลคือศีลที่ทําให้เกิดความบริสุทธิ์ mm hmm. นอกจากศีลคือความสํารวมในปาติโมกเรียว่าปาติโมกสังวรศีลแล้ว mm hmm. ก็ยังมีอินทรีย์สังวรศีลอย่างที่พูดเมื่อวานการสํารวมอินทรีย์ รักษาใจไม่ให้อกุศรธรรมครอบงํามเมื่อตาเห็นรูปผิวดินเสียงลิ้นรับรสอันนี้ก็ถือเป็นศีลอย่างหนึ่งถึงแม้ว่ามันเป็นเรื่องการรักษาใจก็ตามและศีลข้อนึงก็คือเรียกว่าปัจจัยสันนิษฐ์ตศีลคือศีลเกี่ยวกับได้สิ่งของเกี่ยวกับบริโภคบริโภคอย่างเห็นค่าอย่างรู้ว่าบริโภคเพื่ออะไรเข้าใจจุดมุ่งหมายของมันอย่างที่เรา ในสวดตอนทําวัดคําที่มีอัติตตปัจจเวกเนี่ยที่เราปัจจเวกเนี่ยคือนี้แหละก็คือพิจารณาการใช้ปัจจัย4ว่าเราเสพเราบริโภคเพื่ออะไรอาหารบินตบาะไม่ใช่เพื่อความมอ่มันเกิดพลังพลังทางกายไม่ใช่เพื่อความโกเกนะแต่เพื่อให้ชีวิตอยู่ได้เพื่อที่จะได้ทําสิ่งที่มีประโยชน์มีค่าถ้าว่าเราพิจารณาอย่างนี้เนี่ยนะ การบริโภคเนี่ยมันก็จะบริโภคด้วยความระมัดระวังไม่ได้เพื่อสนองกิเลสแต่ปัจจุบันมันก็ต้องพิจารณาให้กว้างไปถึงว่าสิ่งที่เราบริโภคนั้นมันจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างไรบ้างต่อผู้อื่นเช่นต่อธรรมชาติต่อสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เพียงแค่ว่ามันจะทําให้กิเลสในใจเราเพึ่งผูท่านั้นเราก็ต้องระมัดระวังว่ามันจะก่อปัญหายอย่างไรบ้างไอปัจจัยสนิท ศ, ศรริตร์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ เราก็ต้องนะใส่ใจในการเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆไม่ได้คิดว่าอะไรก็ตามที่มันหาง่ายหรือมีเยอะแล้วก็จะใช้อย่างเช่นจีวรมีเยอะก็เลยมีกันคนละหลายผืนนะที่จริงมีแค่ผืนเดียวมีแค่จีวรผืนเดียวก็ยังอยู่ได้เลือกเวลาซักเวลาตากดีๆมันก็ไม่ได้ลำบากอะไรแต่เดี๋ยวนี้มีกันหลายผืน แล้วก็ใช้กันไปเดี๋ยวเดียวก็ทิ้งไม่ได้รู้จักระมัดระวังที่จะดูแลมันเท่าไหร่ที่จริงในวินัยสิขาบทนอกปฏิโมเนี่ยจะมีเรื่องเกี่ยวกับการดูแลรักษาจีวร อ, อยู่เยอะการรักษาบาทก็มีหลายข้อวางอย่างไรนะเพื่อไม่ให้มันมินเมที่จะตกลงมาเสียหายหรือว่าจีวรจะต้องดูแลอย่างไรจะตากอย่างไงเพื่อไม่ให้เป็นไป เดือดร้อนแมลงไปตายแล้วไปทำให้ไปทับแมลงตายนะก็ไม่ได้ทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นการช่วยให้มีสติเสริมสร้างความระมัดระวังให้กับการดำเนินชีวิตของเราฉะั้นถ้าเรารู้จักใช้ใน ร, รู้จักเกี่ยวข้องกับมันให้ดีๆโ ด, ดยเพราะการใช้อย่างประหยัดมันก็จะช่วยไม่เพียงแต่จะทำให้ของนั้นมันใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าแล้วก็ยังเป็นการสร้างทิสัย ให้ถี่ถ้วนแล้วก็มีสติมีความระมัดระวังมันอาจจะเสียเวลาสักหน่อยแต่ว่าเราอยู่ในวัดป่านี้มันก็ไม่ใช่ว่าเวลามันจะเร่งรีบอะไรนั้นถ้าเราระมัดระวังแล้วเนี่ยมันจะไปมีผลต่อบุคลิกนิสัยของเราด้วยสิ่งที่เราทำเราทำกับสิ่งอะไรก็ตามเราเกี่ยวข้องกับสิ่งอะไรก็ตามสิ่งนั้นก็จะมีผลมากลมกล่า จิตใจของเราด้วยมันไม่ใช่เกิดขึ้นด้านเดียวเช่นเราใช้ทิชชู่เราใช้น้ามันไม่ใช่แค่เราเป็นฝ่ายใช้เท่านั้นในสิ่งที่เราทำมันก็มีผลกลับมาที่ตัวเราที่พฤติกรรมของเราที่จิตใจของเราด้วยพอเราใช้ไม่ระมัดระวังเราก็กลายเป็นทาตของมันพอเราติดในความสบายพอมันไม่มีก็เดือดร้อน ถ้าไม่มีทิชชู่นี่บางทีก็ต้องเอาละทํำยังไงดีจะให้ทางวัดไปซื้อมาไหม่แต่นั้งที่ของพวกนี้มันเป็นของที่เรียกว่าฟุ่มเฟือยก็ได้เราใช้เมื่อคนถวายเมื่อไม่มีก็ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องไปหามาคนถวายเราก็ใช้ใครไม่ถวายไม่มีเราก็ไม่ใช้แค่นั้นเองมันไม่ใช่เป็นสิ่งจําเป็นพื้นฐาน ทีนี่แม้กรั่งสบู่ยาซิฟันก็จําไม่ได้ว่าซื้อครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ก็คงไม่มีการซื้อกันเพราะมีคนมาถวายเยอะมากมีแต่ต้องจ่ายออกไปการที่เรามีความระมัดระวังในการบริโภคนี่มันก็โยมไปถึงเรื่องของการมีสิ่งต่างๆพอประมาณด้วยเพราะถ้ามันมีมากไปมันก็เป็นภาระเป็นภาระในการจัดเก็บเป็นภาระในการใช้คือมีแล้วถ้าไม่ใช้มันก็เสยียดายพอมีแล้วต้องใช้ มันก็ทำให้เราเสียเวลาไปกับสิ่งเหล่านั้นมากเกินไปโดยเพราะสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆพวกเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยพอมีแล้วไม่ใช้นี่เหมือนก็เสียดายเราก็เสื้อมันไม่คุ้มแต่พอใช้แล้วอาจจะคุ้มเงินที่ใช้ไปแต่ว่าเวลามันกลับเสียไปและเวลานี่มัญหากลับคืนมาไม่ได้ ไม่เหมือนเท่าของเสียเงินยังเอาเงินกลับคืนมาได้แต่เวลาถ้าเสียไปแล้วนี่มันเอากลับคืนไม่ได้เพราะมิมมันมีแต่จ่ายไปจ่ายไปบางทีชีวิตของเราวันแต่ละวันตลอ ว, น, วนมันหมดไปกับการใช้สอยสิ่งของที่ไม่ได้เป็นประโยชน์นะแต่ว่ามันเพียงแค่ว่ามันมีแล้วก็ต้องใช้อันนี้พวกคารวะก็เป็นกันเยอะแต่ว่าตอนหลังก็มันก็ลุกลามเข้ามาที่ที่พระเทคโนโลยีมันมีมากขึ้นเรื่อยๆ ต่อไปก็จะมีปัญหาเรื่องการเก็บการจัดเก็บต้องเสียเวลาต้องหาที่ในการจัดเก็บมันกลายเป็นภาระเราก็ทำให้เวลาที่เราจะปฏิบัติธรรมก็ค่อยๆหายไปหายไปและบางทีเนี่ยมันพอมันมีอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จำเป็นต้องมีอย่างหนึ่งพอมีอย่างที่สองแล้วจำเป็นต้องมีอย่างที่สามตามมามันมีนิทานจีนเรื่องหนึ่งที่พูดเรื่องว่าพระราชานี่อยากได้อยากได้ตะเกียบงาช้าง เน่า บ, บดีก็ทัดทานพระราชาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแค่ตะเก็บงานช้างนี่มันเสียหายยังไงพระราชาก็ยืนกรานจะเอาให้ได้เมื่อได้ตะเกียบงานช้างมาปรากฏว่าไม่นานก็รู้สึกว่าชามแล้วก็ชอนนี่มันไม่เข้ากับตะเกียบแม่ตะเกียบอย่างดีทำด้วยงานช้างแต่ชามกับช้อนนี่มันมันดูปอนปอนเกินไปก็ต้องเปลี่ยนมาให้เข้ากันให้กลายเป็นเครื่องหลายครามอย่างดี แล้วไม่นานก็พบว่าโต๊ะเนี่ยมันไม่เข้ากับตะเกียบช้อนแล้วก็ชามต้องเปลี่ยนโต๊ะให้ใหม่ต้องทําเป็นโต๊ะสะลักงามประดับมุกอันนี้พอเปลี่ยนโต๊ะแล้วมันไม่ต้องเปลี่ยนเก้าอี้ด้วยจะเปลี่ยนเก้าอี้แล้วคราวนี้มันก็ต้องพวกผ้าม่านพวกหน้าต่างห้องห้องเสวยก็ต้องเปลี่ยนด้วยให้มันเข้ากันครนนี้ไม่ได้เปลี่ยนแค่ห้องเสวยนะมันต้องเปลี่ยนทั้งตำหนักเลย เพราะว่าห้องสวยสวยแต่ว่าห้องบรรทมหรือว่าห้องที่ว่าการหรือวท้องพระโงมันไม่เข้ากันต้องเปลี่ยนเพราะนี้รายจ่ายเพิ่มมากขึ้นต้องใช้จ่ายมากขึ้นพระราชาก็ต้องไปเอาเงินภาษีของชาวบ้านมาท้ายชาวบ้านก็เดือดร้อนเพราะว่าท่านนี่ต้องการเปลี่ยนต้องการสร้างพระราชวังใหม่เลยให้มันเข้ากันทั้งหมดนี้เริ่มต้นมาจากที่ตะเกียบงานช้างคู่เดียว แต่ว่าเสนาบดีนี้เห็นการไกลก็รู้ว่ามันไม่จบแค่นั้นมันจะตามมาเรื่อยๆพระราชานี้ก็ต้องไม่เป็นอันวาราชการเอาแต่เสพอตัตาบริโภแล้วก็ใช้สอยเงินทองในการสร้างปราสาทสร้างพระราชสำนักพระราชวังใหม่ชาวบ้านเดือดร้อนก็มากในสูดชาวบ้านก็เลยก่อการกรบฏนะขับไล่พระราชาไปนั่นทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากตะเกียบคู่เดียวตะเกียบงาช้าง ในในการชีิตของพวกเราก็เหมือนกันบางทีทุกอย่างก็เริ่มต้นมาจากของชิ้นหนึ่งแต่แล้วก็ตามมาเรื่อยตามมาเรื่อยแต่แล้วก็ไม่มีเวลาไปกับสิ่งนั้นอันนี้เราก็ต้องรู้เท่าทันว่าเรากําลังใช้มันหรือว่ามันกําลังใช้เรานะมันกําลังครอบครองจิตใจของเราหรือเปล่าแต่แล้วก็ตามเดี๋วว่าทุกวันนี้เวลานี้เนี่ยของมันเยอะมากนะบางที ในสิ่งที่เราอยากจะใช้ให้มันมีประโยชน์คุ้มค่าเช่นกระดาษหรือซองบางทีมันก็เยอะมากจนทางไม่รู้จะทํำยังไงมันก็ต้องรู้ จ, กจักแจกจ่ายออกไปสมัยที่ผมอยู่วัดธมารวดีเนี่ยมันจะมีซองเยอะแล้วมันจะมีการ์ดการ์ดปีใหม่การ์ดวันเกิดที่นั่นเนี่ยประเทศอังกฤษเนี่ยเขาจะเก็บเอาไว้ไม่ทิ้งแล้วก็จะไปใช้ต่อใช้ต่อการ์ดนี่แหละการ์ดปีใหม่การ์ด สารพัดนี่แหละก็เพียงแต่เอากระดาษมาปะทับตรงข้อความแล้วก็เขียนใหม่ส่งไปได้อีกก็ไม่ถือกันคนอังกฤษก็ไม่ถือกันว่าการที่ส่งมาให้เขาเป็นการดใช้แล้วเขากลับว่าดีว่าเออคนส่งนี่เป็นผู้ที่พิถีพิถันแล้วก็เข้าใจเขาเข้าใจคนรับว่าคนรับก็ไม่ต้องการให้การ์ดใหม่ที่มันสิ้นเปลืองทรัพยากรแต่ว่าเมืองไทยเราอาจจะยังไม่ ไม่ค่อยมีค่านิยมแบบนี้เรายัางคิดว่ามันต้องของใหม่จะส่งการวันเกิดจะส่งการปีใหม่ต้องเป็นของใหม่สิถ้าไม่ใช่ของใหม่เนี่ยไม่ไม่ดีแต่ตลาก็เยอะมากเยอะมากนะจงกระทั่งก็ต้องแจกจ่ายกันไปอย่างที่นี้เนี่ยถ้าเราจะเอามาของต่างๆที่มีมาใช้เนี่ยให้คุ้มค่ามางทีก็มันก็ไม่ทันเหมือนกันนะก็ต้องกระจายออกไปอันนี้ก็ต้องพึ่งบริการสารเลงนะ บานแม่สุดเขาก็ช่วยนะรับไปให้สาเล็งล้วก็มีอะไรก็ให้เข้าไปกระจายเข้าไปเราใช้ไม่ไมหมดดีกว่าทิ้งเป็นขยะหรือเผาแม้แต่อย่างพลาสติกเนี่ยที่เขาลัดถุงเวลามาถวายพระเนี่ยก็อย่าทิ้งนะเก็บเก็บเอาไว้หนังยางพวกนี้เนี่ยก็ไปให้ร้านคาได้ อาตมากอยู่ที่ผู้หลงเนี่ยพวกของเนี่ยหนังยางพวกถุงพลาสติกเนี่ยไม่ไม่ทิ้งเ่ยไม่เผาก็เก็บเก็บเก็บเก็บอะไรที่มันไม่จกกระปงก็เก็บเอาไว้แล้วก็ไปให้ร้านค้าเวลาบินธบะเราก็เดินไปให้ร้านค้าสงเคราะห์ก็ด้วยแล้วก็ไม่ทําลายสิ่งวัลล้อมไม่งั้นต้องเผาไม่งัง้งนต้องกลบไม่งั้นต้องฝังให้มันหมุนเวียนใช้กันไปจริงจริงต่อไปถ้าเรามีกําลังนี่นัน่าจะ จัดการจัดสารพวกนี้ให้มันดีมากขึ้นอย่างชิวิจี้นี่เขามีโรงงานแยกขยะเลยทำกันเป็นร่ำเป็นสันมากมีถึง 5,000 จุดทั่วประเทศแยกขยะเอาอาสาสมัครมาทำส่วนใหญ่ก็ เ, เป็นเกศคนแก่ที่มาด้วยความเต็มใจเป็นคนมีฐานนะเป็นอดีตผู้จัดการเป็นอดีต เ, เจ้าของบริษัทแต่ปวเกษรแล้วไม่มีอะไรทาอยู่บ้านนั่งๆ น, นอ น, น, อนลูกก็โตแล้วหลานก็ไม่มีเพราะเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยมีหลานกัน ไม่รู้ทําอะไรชีวิตมันเหมือนกับขยะนะบางคนพูดอย่างนั้นชีวิตตัว เ, เหมือนกับขยะคือไม่มีค่าแล้วใช้เสร็จแล้วเนี่ยเกษียแล้วนี่นะก็เหมือนขยะแต่พอไปเป็นนักสะสมไปแยกขยะรู้สึกตัวเองนี่กลายเป็นขยะคืนชีพขยะที่ตัวเองแยกก็คืนชีพด้วยกลับมามีประโยชน์ใหม่ไอ้ตัวคนแยกนี้ก็ที่เคยคิดว่าตัวเองเป็ขยะก็กลายเป็นขยะคืนชีพคือกลับมามีคุณค่ามีคุณค่าต่อโลกมีคุณค่าต่อสังคม รู้สึกภูมิใจแต่ว่าเราคงจะไม่มีกําลังทําขนาดนั้นแต่ต้องนึกว่าเอออันนี้เป็นบทบาทหนึ่งที่ได้ทําทกันส่งเสริมกันให้เราเนี่ยพยายามนะพยายามมีสติกับการใช้สอยสิ่งของถึงแม้ว่ามันจะหลั่งไหลเข้ามามากแค่ไหนก็รู้จักจัดสรรให้มันดีแล้วก็ให้มันเข้ามามีที่ผลในทางลบตอนเราให้น้อยที่สุดโดยเฉพาะเรื่องการ ใช้อย่างประหยัดใช้อย่างมีค่าแต่อย่าไปถึงขั้นตนีทีเหนียวนะเพราะว่าพระพุทธองค์ก็ไม่สรรเสริญมันเป็นการทําความทุกข์ให้กับตัวเองแบบอีกแบบหนึ่งการหาความทุกข์มาใส่ตัวโดยไม่จําเป็นนี่ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญเช่นมีเศรษฐีคนหนึ่งในสมัยพุทธกาลนี้ร่ํารวยแต่ว่ากินข้าวหักใส่เสื้อผ้าปอนป่าบชุนต่างๆ ใช้ชีวิตยอย่างลําบากแล้วก็เงินที่ได้เงินที่มีมากนี่ก็ไม่ได้แบ่งปันให้ใครเลยนะสุดท้ายเมื่อตายไปก็ไม่มีทายาททรัพย์สมบัติก็ต้องตกเป็นของหลวงนะพระเจ้าก็บอกว่าเนี่ยไม่สารเสริญคนแบบนี้เพราะตณีทีเหนียวมันก็มีเรื่องเล่าแนละมีเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยก็แบบนี้แหละนะตณีทีเหนียวมีรูปมีหลายก็ไม่เอื้อเฟือตัวอย่างนี้ก็ ใช้อย่างประหยัดตนต น, นีแล้วก็ไม่ไม่แบ่งปันให้ใครนะลูกหลานก็ลำบากทั้งนั่งที่เจ้าตัวนี้มีเงินมากทะเลาะเบาแวงกับเรื่องเงินจนกระทั่งลูกหลานก็หนีไปหมดไม่ค่อยมายุ่งเมื่อเกี่ยวใส่แล้ววันหนึ่งเจ้าตัวก็ใกล้าตายอาการหนักป่วยหนักพูดไม่ได้แนละ้วแต่ตาก็ยังนอนนอนตาค้างทำท่าอึกอักอึกอัก คนก็คิดว่าคงจะรอลูกลูกหลานที่เคยเะเลาะเบาแหวกกันก็รอลูกหลานก็มาครบลูกก็ค่อยทยอยมาแต่ก็ยังไม่มีอาการดีขึ้นก็เลยคิดว่าคงจะรอลูกคนโตที่เคยมีเรื่องบาดหมางกันหลุนแรงลูกคนโตกลับมามาถึงมาข้างเตียงแต่ก็ยังไม่มีอาการที่ดีขึ้นขอเข้ามาก็แล้วขอโหสิกรรมก็แล้วแต่ก็ยังตา เปิดตาไม่ยอมหลับตาพูดไม่ได้แต่ทาท่าทุรนทุรลายลูกคนโตก็เลยสงสมเป็นอะไรนะเสร็จแล้วมองไปที่เพดานพอมองไปที่เพดานเสร็จก็เห็นไฟเปิดอยู่ก็เลยไปปิดไฟพอปิดไฟปุ๊บเศรษฐีนั่นก็เลยสบายหลับตาแล้วก็ตายอย่างสงบคนก็ถามว่าทำไมทาอะไรหรือถึงเขาถึงหลับไปอย่างสงบลูกคนโตก็บอกว่า ไฟเนี่มันเปิดสองดวงแกกลัวเสียดายเงินคนป่วยเสียดายเงินก็เลยพอปิดสักดวงหนึ่งเลยสบายใจตายตาหลับได้ที่บางนี้ก็เป็นงนะี้นะคือมันตนหนีมาจกนกระทั่งว่าแคบเปิดไฟ2ดวงก็เกิดความทุกข์เพราะว่าเสียดายเงินจะตายหรือยังปล่อยวางไม่ได้ยังยังคิดเหนียวอีกอันนั้นก็สุดโต่งเกินไปใช้ฟุ่มเฟือยก็สุดโ ต, ต่งตนหนีทีเหนียวจกนกระทั่ง ตายไม่ได้เพราะเห็นเปิดไฟสองดวงก็สุดตรงอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็ถือเป็นท่าของวัตถุพอๆกันอันนี้เราก็ต้องให้อยู่ในทางสายกลางให้ได้